สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงของเรื่องเล่าพระเจอผีนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตำนานเรื่องของพูดผีปีศาจนะคะความเชื่อต่างๆหรือว่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับพระธุดงนะคะแล้วก็พระเกจิอาจารย์หลายๆท่านหลายๆรูปนะคะที่ไปเจอเจอเข้ากับสิ่งลี้ลับนะคะหรือว่าจะเป็นเรื่องจากคุณผู้ฟังทางบ้านคะ่ะที่ส่งมาให้ทางเราเนี่ยได้พูดแล้วก็ได้เล่าให้คุณผู้ฟังทาง ได้ฟังกันอีกทอดหนึ่งนะคะเรื่องที่เราจะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องจริงจากงานศพค่ะคุณผู้ฟังส่งมาจากทางบ้านนะคะโดยคุณดวงตานะคะคุณดวงตาบอกมาบอกว่าไม่เคยรังเกียจรังงอนกับการไปงานศพเลยแต่ว่าตรงกันข้ามคุณดวงตาถือว่าเป็นงานสำคัญที่จำเป็นอย่างยิ่ง แล้วก็ยิ่งไปกว่างานวันเกิดหรือว่าจะเป็นงานบุญงานประเพณีต่างๆนะคะหรือว่างานแต่งงานซะด้วยซ้ำเพราะคุณดวงตาเนี่ยถือว่าเป็นการไปอโหสิกรรมต่อกันแล้วก็เป็นการลลําลากันตามประสา ญ, ญาสนิทมิสหายเป็นครั้งสุดท้ายค่ะ แต่ว่ามีเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นเรียกว่าชวนให้ขนหัวลุกนะคะก็ทำให้คุณดวงตานี่ไม่กล้าย่างกรายเข้าไปในงานศพใดๆอีกเลยนะับเวลาได้ก็ประมาณสัก10ปีกว่าแล้วนะคะที่คุณดวงตาประสบพบเจอมาแล้วก็ไม่กล้าไปเลย งานศพที่เกิดขึ้นนะคะที่จะเล่าให้ฟังเป็นงานศพของเพื่อนรุ่นน้องในบริษัทเดียวกันพ่อแม่ก็จัดพิธีบำเพรยกุศลสวดอภิธรรมศพขึ้นที่วัดหัวลำโพงนี่เองค่ะถือว่าเป็นวัดกลางใจเมืองตอนนั้นรถราก็ยังไม่ค่อยติดขัดหรอกนะคะถ้าหากว่าเลยชั่วโมงเร่งด่วนไปแล้วแล้วก็วัดทั่วๆไปก็ไม่ค่อยรีบร้อนสวดงานศพกันตั้งแต่หัววันเหมือนอย่างปัจจุบันนี้คุณดวงตาบอกว่า พงเทพนะคะอายุ35ปีหน้าตาไม่ ข, ขี้เริวขี้เหร่มนุษย์สัมพันธ์ดีมากแล้วก็มีอารมณ์ขันช่างพูดช่างคุยทำให้เพื่อนฝูงในแผนกเนี่ยได้หัวเราะกันเป็นประจำใครมีปัญหาชีวิตหรือว่าหน้านิ่วคิ้วขมวดพอได้ฟังพงเทพพูดคุยก็หายเครียดได้นะคะทั้งๆ ท, ท, ที่ไม่มีวี่แววเลยค่ะว่าเป็นคนที่มีรสนิยมเพศเดียวกันแต่ว่าพงเทพก็ยังไม่มีแฟนสักทีหนึ่งถ้าใครถาม ก็ยิ้มฟันขาวแล้วก็พูดติดปากอยู่สองคำเนื้อคู่ยังไม่เกิดกับพี่ช่วยหาแฟนให้ผมสักคนสิฮะ ต่อมาไม่นานนะคะคนทั้งบริษัทที่เป็นเพื่อนๆของพงเทพนี่ก็ต้องช็อกไปตามๆกันค่ะแล้วก็ตกใจเสียใจเพราะว่าพงเทพนี่เกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์นะคะแล้วก็เสียชีวิตไปในระหว่างที่ชวนเพื่อนไปดูที่ดินเพื่อซื้อแล้วก็ขายเกงกำไรที่จังหวัดชนบุรีในยุคนั้นนะคะที่เศรษฐกิจกำลังเฟื่องฟูเลยทีเดียว ถ้าสมมุติพงเทพแต่งงานแล้วก็คิดว่าคงจะต้องนอนตายตามไม่หลับเป็นแน่เพราะว่าห่วงบุตรแล้วก็ภรรยาแล้วก็ฝ่ายหญิงที่อาจจะเพิ่งตั้งครรภ์ก็ได้แล้วก็ต้องประสบกับความวิปรโยคโศกเศร้าปานใดนะคะแต่เมื่อไม่มีเรื่องเศร้าซ้ำสองค่ะงานศพของพงเทพนี่ก็ทำให้เกิดเรื่องสยองแล้วก็หน้าขนหัวลุกโดยไม่มีใครนึกฝันคุณดวงตาบอกว่า คุณดวงตาเนี่ยกับเพื่อนๆไปฟังสวดอภิธรรมทุกคืนนะคะพ่อแม่ของผู้ตายใจแข็งเหลือเกินทั้งๆ ท, ที่มีลูกชายคนเดียวก็ยังคงนั่งพนมมือฟังพระสวดด้วยท่าทางสงบเพื่อนๆก็เข้าไปยกมือไหว้แล้วก็พ่อแม่ของพงเทพเนี่ก็ฝืนยิ้มรับไหว้แล้วก็ขอบอกขอบใจที่อุตส่ามากันทุกคืน อรส า, ากับเพนพรค่ะถึงกับหันมาซับน้ำตากับคุณดวงตาแล้วก็พืมพำในคอเน ะ, ะเสียงสั่นเครือบอกว่าถ้าเป็นเรานี้คงจะขาดใจตายตามลูกไปแล้วคืนแรกนะคะพี่แหม่มที่เป็นหัวหน้างานเนี่ยออกมาจากบริษัทที่รัชดาก็เจอดีเข้าอย่างจังค่ะทุกๆคนที่ไปงานศพนะคะก็จุดธูปไหว้ศพแล้วก็ออกมานั่งที่เต็นท์หน้าศาลา พี่แหม่มนั่งคู่กับพ่อแม่ของพงเทพแต่ว่าพอพระสวดเสร็จจบแรกพี่เขาก็ขอตัวมานั่งสมทบกับเพื่อนๆแล้วก็กับลูกน้องนะคะอที่เสิร์ฟเกี๊ยวน้ําถ้วยเล็กๆคุณดวงตาบอกว่าเพื่อนกําลังถือถ้วยตักเกี๊ยวใส่ปากส่วนพี่แหม่มเนี่ยขอแต่น้ําเย็นแล้วก็เอียงหน้ามาบอกว่าหุยนั่งในศาลามไม่ไหวพงเทพในรูปนะยิ้มให้พี่ตั้งหลายครั้ง คุณดวงตาวีดสำลักค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็เพนพรและก็อรสษานี่ก็แอบอุทานเบาๆแถมปล่อยถ้วยปล่อยช้อนร่วงลงพื้นเสียงดังเพลงเลยนะคะจนคนอื่นๆหันหน้ามามองต่างคนต่างก็เหลียวซ้ายแลขวาเลืกรักบรรยากาศแสนจะเยือกเย็นค่ะก็ชวนให้วังเวงใจอย่างบอกไม่ถูก คืนต่อมาก็มีคุณป้าวัยประมาณสัก60เสเศษรูปร่างอวบอ้วนผิวขาวแต่งตัวเนียบเลยนะคะพร้อมกับเครื่องประดับวุบวาบมาดคุณหญิงของแท้มีลูกๆหลา น, ลานคอยตามประคับประคองพ่อแม่ของคุณพงเทพออกมายกมือไหว้แบบนอบน้อมแล้วก็เชื้อเชิญให้เข้าไปไหว้พระแต่คุณป้าชะงักเหมือนนึกอะไรขึ้นมาได้แล้วก็บอกว่าลูกชายเมื่อตะกี้หายไปไหนแล้วล่ะ พ่อกับแม่ของพงเทพก็มองหน้ากันก่อนจะเรียกคุณป้าบอกว่ามีลูกชายคนเดียวแต่ว่าคุณป้าที่นายมาดคุณหญิงเนี่ยท่านก็ยืนยันนะคะบอกว่าพอลงมาจากรถถึงหน้าสาราเนี่ยก็มีหนุ่มหน้าตาดีออกไปยกมือไหว้ต้อนรับแล้วก็บอกกับพ่อแม่ของพงเทพบอกว่าพี่ไม่ได้ตาฝาดนะหน้าตาเหมือนพ่อพงเทพเป็นพิมพ์เดียวกันเลยเอหรือว่าเสียงคุณป้าก็ขาดหายไปเหมือนเพิ่งจะนึกอะไรขึ้นมาได้ ที่ว่าจะเข้าไปไหว้พระเนี่ยเป็นอันว่าลมเลิกนะคะแต่ว่าก็นั่งแปะลงที่เก้าอี้ในเต็น์หน้าตาขาวซีดค่ะลูกๆหลานๆก็รีบคว้ายาหอมอยาดมมาให้กันจ้าระวันท่านก็อาจจะเป็นลมก็ได้นะะี่ะอาจจะช็อกอะไรประมาณนี้คืนสุดท้ายคุณลุงคนหนึ่งลุกจากศาลาเมื่อพระสวดจบที่สองใครถามว่าจะไปห้องน้ำใช่ไหมแต่คุณลุงบอกว่าจะกลับบ้าน แต่ว่าแขกที่มาในงานนะคะก็ถามคุณลุงบอกว่าทำไมไม่รอให้พระสวดจบก่อนละ่ะแล้วค่อยกราบสาเหตุก็เพราะว่าพงเทพในรูปถ่ายหน้าลงน้ำตาไหลพรากจนท่านดูไม่ไหว ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะคะตอนที่คุณดวงตาแล้วก็เพื่อนๆ อ, ออกมาจากงานศพแล้วก็ขึ้นรถไล่ๆกันกับแขกคนอื่นๆคุณดวงตากําลังสตาร์ทเครื่องพี่เพนพรกับอรสาที่มาด้วยกันก็เบียดกันอยู่ข้างหน้าแล้วก็พูดเสียงสั่นเครื่องเหมือนจะร้องไห้ว่าพี่ดาคะพงเทพมาส่งเราคะ่ะ คุณดวงตาก็หันขวับไปมองแม้แต่ว่าเป็นภาพเลือนๆก่อนจะจางหายไปแต่ก็ยังจำได้นะคะว่านั่นคือผงเทพแน่นอนแล้วใครจะกล้าไปงานศพอีกล่ะคะนี่ก็คือเรื่องเล่านะคะจากพี่ดวงตาคะ่ะชื่อเล่นชื่อพิดานะคะที่ไปในงานศพเพื่อนร่วมงานด้วยกันนะคะถ้าสมมุติว่าคุณผู้ฟังเจอะเจอกับเหตุการณ์แบบนี้ คุณผู้ฟังจะมีปฏิกิริยาอย่างไรจะกลับบ้านหรือว่าอาจจะแข็งใจฝืนใจในะคะนั่งฟังพระสวดจนจบ มีเรื่องแปลกๆอีกเรื่องหนึ่งนะคะเกี่ยวเนื่อง ก, กันกับเรื่องของงานศพค่ะเรื่องนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะเมื่อวันที่15ตุลาคมที่ผ่านมานะคะก็มีการตั้งสวดพระอภิธรรมศพของนายสมภพนพคุณอายุ76ปีนะคะที่ตําบลหันตราจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ ก็มีรอยเท้าคนตายเดินขึ้นไปบนที่ตั้งของลงศพ ก็ตำรวจค่ะแล้วก็บรรดาญาติญาติแล้วเข้าไปตรวจสอบนะคะพบว่าญาติของผู้เสียชีวิตเนี่ยนั่งจับกลุ่มดูภาพถ่ายแล้วก็สํารวจรอยเท้าที่อยู่ภายในศาลาโดยพบว่ามีคราบรอยเท้าเดินตั้งแต่หน้าศาลาขึ้นไปบนศาลาพื้นกระเบื้องปรากฏรอยเท้าอย่างชัดเจนแล้วก็ขึ้นไปบนที่ตั้งของลงศพแล้วรอยเท้าก็หายไปนะคะโดยไม่มีรอยเท้าเดินกลับออกมานับรวมได้1 3บสก้าก็สร้างความแปลก ประหลาดใจให้กับญาติของผู้เสียชีวิตแล้วก็ชาวบ้านอย่างมากเลยละค่ะนายเวหนหอมจันอายุ66ปีนะคะซึ่งเป็นหลานชายของผู้เสียชีวิตนี่บอกว่านายนกพคุณเสียชีวิตลงด้วยโรคปอดติดเชื้อแล้วก็รักษาตัวมานานจนเสียชีวิตเมื่อวันที่11ตุลาคมแล้วก็ทางญาติได้ตั้งศพสวดพระอภิธรรมตั้งแต่วันที่12ตุลาคมแล้วก็จะเผาในวันที่15ตุลาคมค่ะ ตลอดมาเหตุการณ์ก็ปกติดีจนกระทั่งเมื่อช่วงเย็นของวันที่14ตุลาคมซึ่งหลานชายกับญาติมาเปิดศาลาเพื่อจัดการเตรียมสวดศพพบรอยเท้าดังกล่าวทั้งที่ศาลาพระก็ปิดล็อกกุญแจอย่างแน่นหนาแล้วก็ตัวศาลาก็ไม่มีร่องรอยถูกงัดแต่อย่างใดนะคะก็เลยเชื่อว่าเป็นรอยเท้าของผู้ตายค่ะแล้วก็ยังคงมีความเป็นห่วงภรรยาแล้วก็บ้านที่ถูกน้าท่วม ส่วนานางทวีปเจริญสินอายุ63ปีซึ่งเป็นภรรยาของผู้เสียชีวิตก็บอกว่าคืนก่อนที่จะพบรอยเท้าหลังกลับมาจากงานศพตัวเองกลับเข้าบ้านที่น้ําท่วมอยู่แล้วก็นอนอยู่ที่เตียงข้างนายสมภพนอนรักษาตัวนะคะก็มีความรู้สึกว่าเหมือนมีคนนอนอยู่ที่เตียงได้ยินเสียงไอก็เลยเหลือบตาไปดูเห็นว่านายสมภพอยู่ที่เตียงก็เลยบอกไปบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องกังวลอะไรแล้วซึ่งวันนี้จะทําพิธีชาปนกิจศพ ส่วนพระประเทืองมีสมเด็จอายุ32ปีค่ะเป็นพระลูกวัดนะคะก็บอกว่าตัวเองไปเปิดศาลาพร้อมกับญาติผู้เสียชีวิตถึงกับงงเหมือนกันที่ปรากฏรอยเท้าอยู่บนศาลาพร้อมกับเดินสำรวจ ร, รอบๆศาลาก็ไม่พบนะคะว่ามีนร้องรอยถูกงัดแต่อย่างใดก่อนที่จะปิดศาลาก็สำรวจแล้วว่าไม่มีใครอยู่ภายในศาลา เห็นรอยเท้าแล้วจึงได้ถ่ายภาพเก็บเอาไว้แล้วก็ช่วงกลางคืนนะคะพระประเทืองมีสมเด็จเนี่ยก็บอกว่าได้ยินเสียงสุนัขหอนตลอดทั้งคืนทั้งที่หลายวันที่ผ่านมาไม่ได้ยินเสียงสุนัขหอนเลยนะคะคุณผู้ฟังก็ช่วยกันคิดแล้วก็วิเคราะห์นิดนึงนะคะว่ามันเป็นผีจริงๆหรือว่าเป็นฝีมือของใครมาทําเพื่อสร้างกระแสก่อนวันหวยออกในช่วงนั้นหรือเปล่านะคะยังไงถ้าหากว่าฟังเรื่องนี้แล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยเนาะระว่า ว่ามันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลค่ะคุณผู้ฟังคะไหนๆวันนี้ก็พูดถึงเรื่องของความตายแล้วก็พูดถึงเรื่องราวของวิญญาณหลังจากที่เสียชีวิตลงแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับงานศพกันไปแล้วนะคะมีหลายคนเหมือนกันนะคะที่ชอบตั้งคำถามในเรื่องเกี่ยวกับโลกหลังความตายหรือว่าชีวิตหลังความตายพอดีกับวันนี้นะคะก็มีเรื่องเกี่ยวกับงานศพหรือว่าเรื่องเกี่ยวกับพีผีสางที่ ปรากฏตัวในงานศพนะคะก็เลยไปหาข้อมูลค่ะเกี่ยวกับเรื่องของโลกหลังความตายนะคะได้ข้อมูลมาจากอาจารย์ปราณเวศนะคะก็บอกว่ามีเรื่องเหลือเชื่อหน้าพิศวงค์ชวนให้ขนหัวลุกออกเป็นข่าวอยู่ บ, บ่อยๆหรือว่าออกรายการทีวีก็ค่อนข้างจะมากค่ะที่กล่าวถึงโลกหลังความตาย ก็เลยขอเกาะกระแสนิดนึงหยิบยกเอาเรื่องทำนองนี้มาพูดคุยกันบ้างโดยหวังว่าเรื่องที่เราจะเล่าให้ฟังต่อไปนี้ ก็คงจะทำให้หลายคนนะคะที่ได้ฟังก็รู้สึกเกรงกลัวไม่กล้าที่จะทาต่อบาปหรือว่าละอายต่อบาปนะคะก่อนอื่นขอยืนยันเลยนะคะว่าโลกหลังความตายเนี่ยมีอยู่จริงร้อยเปออันนี้เป็นความเชื่อของผู้เล่าเองนะคะก็ยืนยันในความเชื่อของตัวเองว่ามีอยู่จริงร้อยเปซแล้วก็คุณผู้ฟังอย่าได้สงสัยเลยว่าโลกของเรามีอีกโลกหนึ่งที่ทับซ้อนกันอยู่ เป็นโลกหลังความตายเป็นโลกของผู้ที่ตายไปแล้วพวกเขามองเห็นเราตลอดเวลาค่ะมองดูการกระทําของเราตลอดเวลาไม่ว่าจะทําดีหรือว่าทําชั่วการกระทํานั้นก็อยู่ในสายตาของพวกเขาเสมอนะคะเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้ให้คุณผู้ฟังใช้วิจารณญาณในการไตร่ตรองให้ดีก่อนจะเชื่อนะคะ บอกว่าคนเราเมื่อตายไปวิญญาณก็จะออกจากร่างกายแล้วก็วนเวียนอยู่กับร่างนั้นประมาณ7 1 5ถึงวันช่วงนี้นี่เองค่ะที่คนอย่างเราจะเห็นวิญญาณเหล่านั้นได้ง่ายที่สุดเพราะเพิ่งตายนะคะภาพลักษณ์สังขารก็ยังคงยึดอยู่ยังคงติดอยู่ก็คือคนที่ได้รับบาดเจ็บป่วยหนักอยู่ในอาการโครมา่าไม่มีสติวิญญาณก็มีโอกาสที่จะออกจากร่างได้เช่นกันค่ะ พอครบเจ็ดวันวิญญาณเหล่านั้นนะคะก็จะถูกยมทูตนำตัวไปรายงานตัวต่อย ม, มาบาลเพื่อพิจารณาแล้วก็พิพากษาถึงความดีความชั่วบุญบาปที่เคยกระทำมาเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่นะคะซึ่งก็จะมีคำพิพากษาที่จะออกมาเป็นสามทางก็คือ 1. ทำบุญไว้มากก็จะได้ไปขึ้นสวรรค์ 2. ทำบุญมากพอประมาณก็อาจถูกส่งให้กลับไปอยู่โลกหลังความตายที่ทับซ้อนกับโลกมนุษย์เพื่อรอเวลาไปเกิดต่อนะคะถ้าลูกหลานหรือว่าญาติพี่น้องทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้มากๆ ก็จะทำให้ได้ไปเกิดเร็วขึ้นสำหรับดวงวิญญาณดวงใดที่ยังคงมีความอาฆาตพยาบาทก็อาศัยช่วงนี้เลยค่ะที่จะเอาคืนแต่ก็อยู่ในขอบเขตของบ่วงกรรมที่ทำกันไว้แล้วก็จะไม่ลุกลามไปยุ่งกับผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องโดยเด็ดขาด ข้อ3นะคะถ้ากรรมชั่วทำไว้มากนะคะเมื่อครั้งยังมีชีวิตแน่นอนเลยนะคะความเชื่อของคนไทยเราตกนรกรับผลกรรมที่เคยกระทำมาแน่นอนโดยที่เราไม่สามารถติดต่อกับอะไรได้พวกเขา ก็ไม่สามารถที่จะไปสื่อสารกับญาติพี่น้องหรือว่าไปอะไรได้เลยนะคะต้องรอวันพระถึงจะได้รับอนุญาตให้ขึ้นมานะคะเพื่อที่จะมารับส่วนบุญส่วนกุศลแต่ก็ไม่ได้ทุกครั้งนะคะแล้วก็ไม่ได้ทุกดวงวิญญาณด้วยที่จะได้รับอนุญาตทั้ทงนี้ขึ้นอยู่กับกรรมที่เขาได้ทำไว้แล้วก็ส่วนที่4ค่ะอันนี้แถมนิดนึง ที่เขาเรียกกันว่าผีก็คือวิญญาณที่ยังอยู่ในกลุ่มข้อ2นะคะก็คือทำบุญไว้พอประมาณค่ะนี่แหละคุณผู้ฟังซึ่งได้ไปอ่านเจอในอบทที่อาจารย์ปราณเวทนะคะได้เขียนเอาไว้นะคะก็เลยเอาบทความเรื่องผีเรื่องวิญญาณที่คนไม่ค่อยรู้นะคะเรื่องเกี่ยวกับเรื่องวิญญาณกลุ่มนี้ อาจารย์บอกว่าเป็นกลุ่มวิญญาณที่น่าสงสารนะคะที่เขาต้องหิวโหวยแล้วก็รอคนทาบุญต่อไปก็คือกลุ่มวิญญาณที่สาคือคนที่ทํากรรมชั่วไว้มากนะคะซึ่งเขาสามารถกินอาหารที่เราทาบุญไปให้ได้ไม่เกินสองวันแต่ถ้าตัวเขาตอนที่มีชีวิตอยู่ทาบุญตักบาตรถวายพระด้วยจิตที่บริสุทธิ์แล้วก็ทากรรมดีไว้มากๆเขาก็จะสามารถกินอาหารที่เคยทาบุญไว้ได้อย่างไม่จากัดแต่ ถ้าทำบุญด้วยจิตที่ไม่บริสุทธิ์หรือไม่สงบนะักก็จะทำให้จนวนครั้งที่กินเนี่ยได้น้อยลงไปแล้วก็มีโอกาสหมดไปได้นะคะทำบุญแล้วจำเป็นต้องอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลด้วยไหม ะะอาจารย์ก็บอกว่าจําเป็นเพราะว่าการอุทิศเนี่ยให้ครบทุกภพไม่ว่าจะเป็นพรหมโลกเทวโลกมนุษย์โลกยมโลกสัตว์โลกทุกท่านทุกตนทุกคนนะคะไม่ต้องห่วงว่าจะไม่ทั่วถึงกันเท่าที่ทราบคือท่านทั้งหลายนั้นจะได้รับเท่ากันเหมือนกันหมดทุกอย่างแล้ววิญญาณที่มีลูกหลานคอยทําบุญคอยระลึกถึงหรืออนุญาตให้อยู่ในบ้านได้จะสบายกว่าพวกวิญญาณเร่ร่อนหรือไม่นะคะคำตอบคือสบายกว่า เพราะว่ามีที่สิงสถิตไม่ต้องไปเป็นผีไม่มีสารนะคะเป็นเจ้าไม่มีศารต้องคอยนอนข้างถนนตากแดดตากฝนอย่างน่าทุกเวทนาขออนุญาตย้อนกลับไปอีกนิดนึงนะคะคุณผู้ฟังในช่วงที่ก่อนจะหมดลมหายใจมีพระท่านเคยบอกไว้นะคะว่าจริงๆแล้วทําไมถึงต้องให้คนทําความดีทําไมถึงต้องให้เข้าวัดฟังธรรมหรือว่าให้ตัวเองมีจิต ที่เป็นสมาธินะคะก็เป็นการฝึกไว้ในช่วงที่ก่อนเสียชีวิตทําให้จิตของเราเนี่ยมันสามารถที่จะระลึกถึงคุณงามความดีได้เพราะว่าก่อนที่จะเสียชีวิตเนี่ยคือเราจะเห็นทุกภาพทุกฉากทุกตอนที่เราเคยดำเนินชีวิตมาไม่ว่าจะเป็นความดีความชั่วที่เราเคยทำมา หากแต่ว่าเมื่อครั้งจะเสียชีวิตนะฮะใกล้จะหมดลมหายใจไปแล้วเนี่ยจิตของเราไปยึดติดกับสิ่งที่ไม่เป็นมงคลหรือว่าเป็นสิ่งที่ชั่วร้ายแน่นอนเลยว่าวิญญาณที่หลุดลอยออกไปจากกายหยาบของเราเนี่ยก็ต้องลงสู่อบายภูมินะคะแล้วก็ถ้าหากว่าเราทําบุญไว้เยอะโดยจิตของเราเนี่ยมันตั้งมั่นอยู่ในคุณงามความดีมีสมาธิในการยึดเหนี่ยวพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่ยึด หลักนะคะหรือว่าเป็นสรณะนะคะหรือว่าเป็นการให้ทานเป็นการอะไรคือทำจนเคยตัวจนจิตของเราเนี่ยสามารถที่จะจดจำคุณงามความดีเหล่านี้ได้พร้อมกับการเสียชีวิตไปโดยสงบนะคะท่านบอกว่าวิญญาณ จะต้องไปสู่ภพภูมิที่สูงขึ้นไปเป็นเทวดาไปเป็นนางฟ้านะคะหรือว่าเป็นอะไรที่ไม่ต้องลงสู่อบายภูมิที่สูงกว่าโลกของสัตว์เดรัจฉานนั่นเองค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละบุคคลนะคะก็ถือว่ า, าถ้าสมมุติว่าเป็นกุศโลบายหรือว่าไม่มีอยู่จริงของโลกหลังความตายก็ถือว่าเป็นกุศโลบายที่ฉา่นฉลาดมากถือว่าให้คนทําคุณงามความดีไว้นะคะให้คนมีเมตตาต่อสัตว์โลก หรือว่าเพื่อนร่วมโลกของเราทุกๆสิ่งที่มีชีวิตนั่นเองนะคะ คุณผู้ฟังคะพวกเราทุกคนที่ได้มีโอกาสกลับมาเกิดเป็นคนอีกครั้งหนึ่งก็เพื่อต้องชดใช้น่กรรมและรับผลกรรมดีกรรมชั่วที่เคยกระทํามาและได้รับโอกาสที่จะได้ทําความดีได้แก้ไขปรับปรุงตัวก็หวังว่าคุณผู้ฟังทุกคนคงจะไม่ละทิ้งโอกาสนี้นะคะในการสร้างคุณงามความดีนะคะให้แก่เพื่อนมนุษย์หรือว่าเพื่อเป็นกุศลให้กับตัวของเราเองนั่นเองค่ะ